นี่เข้ามาหาสูตรที่ที่เป็นพุทธคุณยาวๆเลยนะสุปปวาสาสูตรช่วงนี้ไม่ต้องห่วงฟังสูตรยาวๆเยอะมากฟังได้วันหนึ่งหลายสูตร <c oughs> หน้าสอง้อสองสุปปวาสาสูตรเนี่ยนะพูดถึงแม่ของพระศิวลีข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะป่ากุณฑิฐานวัน ใกล้พระนครกุณดียาก็สมัยนั้นแลพระนางสุปปวาสาธิ่ดาของพระเจ้าโกริยะทรงคันก็คือเป็นญาติทางโกริยะวงศ์นะญาติฝ่ายแม่นะเป็นญาติฝ่ายแม่พระนางสุปปวารษาเนี่ยมีคันอยู่7ปีคันหลงอีกเจวันคือท้องอยู่7ปีด้วยกันเนี่ยนะแล้วก็จะคลอดก็ไม่คลอดจะคลอดก็ไม่คลอดอยู่7วันด้วยกัน พนางสุปวารสานั้นผู้อันทุกขเวทนาเนี่ยกล้าเผ็ดร้อนถูกต้องแต่ก็อดกลั้นความทุกขเหล่านั้นได้ด้วยการตรึกสามข้อสมัยใหม่ก็ผ่าเรียบร้อยแล้วนะสมัยนั้นก็ไม่รู้จะพากันยังไงนะ เ, เกิดผิดยุคแน่นอนเลยนะสมัยเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องผ่าเรื่องคลอดก็จริงแต่มีปัญหาเรื่องเลี้ยงดูใช่ไหมนี่มาดูต่อไปว่า ความทุกข์เหล่านั้นยามที่มีคันเนี่ยนะก็ได้แต่นึกอยู่สามอย่างนี่แหละว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองหนอย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกขเห็นปา น, นี้ว่าพระองค์เนี่ยอรหังสัมมาสัมพุโทโธนะว่าแนะหมพระองค์เนี่ยตรัสรู้ถูกต้องด้วยพระองค์เองจริงๆพระองค์แสดงธรรมทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้มันกําจัดไอความทุกข์ตัวนี้นี่แหละ เรียกว่าจับประเด็นถูกต้องเลยนะว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมเพื่อความพ้นทุกทุกไหนอ่ะก็ทุกที่มีคันนี่แหละมาต่อไปพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยปฏิบัติดีแล้วหนอปฏิบัติดีปฏิบัติดียังไงก็คือปฏิบัติเพื่อละทุกขเห็นปานนี้นี่แหละอย่างที่สามบอกว่านิพานซึ่งเป็นที่ไม่มีทุกขเห็นปานนี้เป็นสุขดีเนาะอันนี้เราตรึกสามข้อจริงก็ตรึกถึงพระรัตนตรัยนะ ไม่ใช่อะไนะไม่ใช่อ่ะพุโทโธทำโมสังโฆไม่ใช่เอ่ยแค่นี้นะแต่ว่าเป็นผู้ที่เข้าใจในพระพุทธคุณเป็นอย่างดีว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ทำเอ่อตรัสรู้แล้วพระองค์แสดงธรรมก็เพื่อละทุกขอันนี้นี่แหละละทุกขที่อะไรละทุกขที่ตัวเองก็มีคันด้วยถ้าหากว่ายังตัดชันธราค่าไม่ได้ตัวเองก็ต้องกลับไปนอนในคันอีกเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์แสดงธรรมเพื่อละทุกข์ที่เกิดจากการเกิดในคันเป็นต้นนั่นแหละ พระสงฆ์สาวกก็ปฏิบัติเพื่อกำจัดทุกเหล่านี้นิพพานนี่ไม่มีทุกเหล่านี้เลยใช่หนิพพานนี่จึงเป็นสุขดีหนอครั้งนั้นแลพระนางสุปวาสาโกรย่ิดาเชิญพระสวามีมาว่าเชิญมานี่เถิดพระลูกเจ้าขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแล้วทรงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวตามคาของหม่อมชัน จงทูลถามถึงความเป็นผู้มีพระอาพาธน้อยพระโรคเบาบางกระปรี้กระเป่ามีพระกำลังอยู่ความอยู่สำราญว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสุปว่าสาโกลยาธิดาถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวและทูลถามความเป็นผู้มีพระอาพาธน้อยพระโรคเบาบางกระปรี้กระเป่ามีพระกำลังความอยู่สาราญ อันหนึ่งขอพระองค์จงทรงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสุปววาสาโกริยะทิดาเนี่ยทรงคันเจ็ดปีคันหลงอีกเจ็ดวันนางสุปววาสานั้นอันทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนถูกต้องแล้วย่อมอดกลั้นได้ด้วยการตรึกสามข้อนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบหนอย่อมแสดงคำเพื่อละทุกเห็นปานี้ นะใครจะเอาไปเจริญก็ได้นะถ้าไม่สบายเมื่อไหร่ก็นึกถึงอย่างนี้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นปฏิบัติดีหนอปฏิบัติเพื่อละทุกข์เห็นปานนี้นิพพานซึ่งเป็นที่ไม่มีทุกข์เห็นปานนี้เป็นสุขดีหนอพระราชบุตรที่เป็นพระสวามีของพระนางก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วก็เล่าให้ฟังทุกประการตามที่นางสุปปวาสากล่าวแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่ า, านะพระองค์ให้พรเลยนะในหน้าสองย่ย่อหน้าว่าพระนะพระองค์ตรัสว่าพระนางสุ ป, ปะวาสาโกรย่าิดาจงเป็นผู้มีความสุขหาโรคมิได้คลอดบุตรหาโรคมิได้เถิดพุทธพพนี้พอพูดจบนะคลอดลูกเลยก็แลพระนางสุ ป, ปะวาสาโกรย่าิดาทรงมีสุขหาโรคม่ได้ประสูตธ์พระโอรสผู้หาโรคมิได้ พร้อมกับพระดํารัตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเดี๋ยวตอนหลังจะรู้ว่าอัตถกถาบอกเลยนะว่าเหตุที่ท้องอยู่เจ็ดปีกับคันหลงเจ็ดวันก็เพราะสั่งปิดเมืองเนี่ยนะเป็นแม่ของพระราชานนให้ไปโจมตีเมืองหนึ่งก็บอกไม่ยากบอกลูกทําตามแผนของแม่ทํางานปิดเมืองเลยนนปิดเมืองปิดประตูใหญ่แต่ก็เปิดประตูเล็ก เปิดประตูย่าปิดประตูเมืองเนี่ยเจ็ดปีแล้วก็สั่งให้ปิดประตูเล็กอีกเจ็ดวันมันกรรมอันนั้นตัวเองก็เลยเนี่ยต้องอุ้มท้องอีกเจ็ดปีกับเจ็ดวันยุทธการล้อมเมืองเนี่เสียหายมากเลยนะชนะศึกในตอนต้นแล้วก็มีคันเดือดร้อนแล้วท้องตอนปลายนี่ไม่ดีพระราชบุตรของพระเจ้า โกริยะนั้นก็ทูลรับพระดํารัสแล้วทรงชื่นชมยินดีพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมกระทําประทักษิณแล้วเสด็จกลับไปสู่นิเวศของตนได้ทรงเห็นพระนางส ป, ปวาวาสาโกริยะธิดาทรงมีสุขหาโรคมิได้ประสูนิธาโอรสผู้หาโรคมิได้พระศิวลีก็อุบัติขึ้นด้วยประการชนีดแลนะลูกก็คือพระศิวลีนี่แหละ มันเห็นพระศรีวลีเนี่ยนะบอกโอยปรารถนาอะไรนะคนชอบไหว้พระศิวีวลีศีวลีจะมาหาเทโรเป็นต้นเนี่ยเพื่ออะไรขอลาบสิก็นึกถึงว่าท่านก็เนี่ยมีลาบคืออยู่ในคันตั้งเจ็ปีเนี่ยนะตรงนี้ไม่ค่อยนึกนะนึกขอแต่ลาบอย่างเดียวครั้นแล้วได้ทรงดำริว่าน่าอัศ จ, จรรรย์จิงหนอไม่เคยมีมาพระตถาคตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็แลพระนางสุปปวาสาโกลยธิดานี้ ทรงมีความสุขหาโรคไม่ได้คงจักประสูตรพระโอรสผู้หาโรคม่ได้พร้อมกับพระดำรัดของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เป็นผู้ปลื้มใจปีติเบิกบานโสมนัสมากะนะแมสามีก็ดีใจเป็นธรรมดาใช่ไหมบอกรู้ว่าภริยาคลอดแล้วก็หาโรคไม่ได้ก็ดีใจมากเลยนะเพราะพุทธพจน์คาเดียวแท้ๆเนี่ยนะดีจริงๆมา ก็บอกว่าใ น, ในทั้งหมดเนี่ยนะขยายคําเดียวพิสดารที่สุดคือตถาคตมีฤทธิ์มากคําว่าตถาคตเนี่ยอธิบายยาวที่สุด <c oughs> อัตถาค่อยว่าตอนหลังนะครั้งนั้นแลพระนางสุปววาสาโกรยา่าิดาทูลเชิญพระสวามีมาว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอเชิญพระองค์เสด็จมานี่เถิดเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าว ตามคำของหม่อมชันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสุปวาสาโกริยาธิดาถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวอันหนึ่งขอพระองค์จงทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสุปวาสาโกริยาธิดาเนี่ยทรงคันอยู่7ปีแปลว่าท้องอยู่เจ็ปีแล้วก็คันหลงอีกเจ็วันจะคลอดไม่คลอดอยู่เจวันด้วยกัน บัดนี้พระนางเนี่ยมีความสุขหาโรคไม่ได้คลอดบุตรผู้หาโรคมิได้นางนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยพัตตาหารสิ้นเจ็ดวันข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้ากับภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารของนางสุปปวาสาโกริยะทีด้เจ็วันเถิดพระสวมีก็ทําตามที่พระนางสุปปวารสาขอร้องทุกประการ สมัยนั้นเลยสมัยนั้นเนี่ยอุบาสกคนหนึ่งนิมนต์ภิกษุสองอ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเพื่ อ, อ, อด้วยพัดในเพื่อจะฉันในวันวันพรุ่งนี้อยู่แล้วซึ่งอุบาสกนั้นก็เป็นอุปถาของท่านพระมหาโมคลานะคือพระพุทธเจ้ารับนิมนต์ก่อนหน้านี้อยู่แล้วครั้งนั้นเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกท่านพระมหาโมคลานะว่ามานี้เนี่โมคลานะท่านจงเข้าไปหาอุบาสกนั้น ครันแล้วจงกล่าวกับอุบาสกนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพระนางสุปปวาสาโกลยะธิดาทรงคันอยู่ถึงเจ็ดปีมีคันหลงถึงเจ็ดวันบัดนี้พระนางทรงมีสุขหาโรคมีได้ประสศิพระโอรสผู้หาโรคไม่ได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยพัตตาหารสิ้นเจ็ดวันพระนางสุปปวาสาโกลยะธิดาจงทําพัตตาหารสิ้นเจ็ดวันอุปถากของท่านนั้น จะทำในภายหลังวันที่แปดข้อยนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพิสุส่ ง, สงไปฉันก็แล้วกันเรียกว่าขอไ ป, ไปขอเลื่อนเลื่อนเลื่อนฉันนะนะเลื่อนฉันไม่ใช่ไปฉันทุ่งนี้แล้วอีกวันที่จากนี้ไปวันที่แปดจะไปฉันให้เหมือนกันทีนี้พระโมคขลานะก็เข้าไปหาอุบาสกอุบาสกนี้ตอบว่ายังไงนู้ไหมบาศกก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญถ้าพระมหาโมกขลานะผู้เป็นเจ้า เป็นผู้ประกันสามอย่างนี้ได้ก็นิมนต์ไปฉันก่อนได้เลยวันั้นขอให้พระขอให้พระโมคคัลลานะรับประกันสามอย่างหนึ่งพวขสมบัติสองรับประกันชีวิตสรักรับประกันศรัทธาถ้าหากว่าพระโมคคัลลานะรับประกันโภคขสมบัติรับประกันชีวิตรับประกันศรัทธาของกระผมได้ไซพระนางสุปวาสาโกริยะทีดาจงทําพัตตาหารสิ้นเจ็ดวันเถิดกระผมเนี่ยจะนิมนต์มาทําบุญในภายหลัง พระโมคขาลานะนี่บอกว่าดูอาบุโซดูก่อนท่านผู้มีอายุฉันจะเป็นผู้ประกันธรรมะสองอย่างคือโภกสมบัติและชีวิตของท่านส่วนท่านเองเป็นผู้ประกันศรัทธาโอ้ยศรัทธาในใจใครไปประกันให้ใครไม่ได้หรอกแต่ตรวจ ด, ดูแล้วสมบัติของท่านเนี่ยภายใน7วันไม่เสื่อมท่านไม่ตายหรอกภายในเจวันแต่ว่าใจของท่านรักษาเอาเองใครจะไปรักษาใจให้ใครได้ใช่ไหมโดยเฉพาะใจที่เป็นศรัทธาเนี่ยนะ หลายๆแห่งเนี่ยเวลาเขากล่าวว่าศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่รับประกันยากก็จะยกข้อความตรงนี้ไปบอกว่าพระโมคขลานะยังไม่รับรองศรัทธาเพราะนั้เขาบอกว่าเออตอนตอนตอน้ตนมีศรัทธาตอนหลังไม่มีศรัทธาไม่ต้องเศร้าใจหรอกเพราะมันเป็นอย่างนี้แหละศรัทธาเนี่ยพระโมคขลานะยังไม่ประกันเลยอุบาสกนี่ก็เป็นคนที่แน่จริงๆเหมือนกันบอกว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญถ้าว่าพระมหาโมกขลานะผู้เป็นเจ้า เป็นผู้ประกันธรรมะสองอย่างคือโภกสมบัติและชีวิตได้สพระนางสุปปวารสาโกรยอาิดาจ ง, จงทําพัตนาหารสิ้นเจ็ดวันเถิดกับผมจะทําภายหลังเพราะว่าอุบาสกคนนี้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันขอรับประกันศรัทธาด้วยใจของข้าพเจ้าเองใช่ไหมันท่านก็รักษาศรัทธาของท่านได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นนี่ไม่แน่นะเป็นคนอื่นเนี่ยเลิกนับถือพระพุทธศาสนาเลยก็มีเพราะเหตุผลเนี่ยเหตุผลว่า ตัวเองนิมนก่อนคนอื่นมานิมนภายหลังแล้วก็ไปรับของคนภายหลังเนี่ยนะไม่ยอมมารับรับตามลําดับเนี่ยโกรธก็มีบางคนนี่ผูกเวรกับพระในลักษณะนี้ก็ไม่น้อยนียนะไม่น้อยเพราะว่าตัวเองไปนิ่มนก่อนแล้วตอนหลังท่านมาขอเลื่อนไปที่อื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาทีหลังเลยผูกเวรกันเลยเนี่ยกลายเป็นศัตรูกันก็มีอย่าคิดนะว่าผู้ที่เขามีศรัทธาและจะไม่กลายเป็นศัตรูในภายหลัง ก็อย่างที่ว่าเนี่ยเราคิดง่ายๆว่าสามีภรรยาเนี่ยคือคนที่ด่ากันบ่อยที่สุดคนที่ตําหนิกันมากที่สุดแต่ถามว่าก่อนจะแต่งแล้วด่ากันอย่างนี้ไม่ได้แต่งกันอยู่แล้วเชื่อหรอครั้งนั้นแลท่านพระมหาโมกขลานะยังอุบาสกนั้นให้ยินยอมแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ให้อุบาสกนั้นยินยอมแล้วพระนางสุ ป, ปวารสาโกลิยะทีดา จงทำพัตตาหารตลอดเจวันอุบาสกนั้นก็จะทําในภายหลังพระเจ้าค่าครั้งนั้นแลพระนางสุปวารสาโกลย่าิดาก็อังคาดคือประเคนจัดของถวายภิกษุสองมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาชนิยะด้วยขาชนียาหารโภชนียาหารอันประนีก็คือของของข้าวหวานธรรมดานี่แหละด้วยพระหัตของพระนางสิน้นเจวันนะโดยมากก็ทําบุญด้วยมือของตัวเองอ น, นะประเคนด้วยตัวเองเป็นต้นนั่นเอง พอครบวันที่เจ็ดทารกนั้นก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ในท้องจนออกมาพอคลอดออกมาเนี่ยเจ็วันเนี่ยโอ้โหถวายพระได้แล้วอ่ะก็ว่ายพระคือบางคนเนี่ยนะพออ่านเจออย่างนี้ก็ทําใจไม่ได้คือเรื่องแบบนี้มีอยู่คนเดียวอย่าไปคิดอะไรมากเป็นคนพิเศษแล้วพระศรีวลีปเนี่ยท่านเกิดมาในชาติสุดท้ายท่านทําบุญมาแสนกลับแล้วเนี่ยนะจะมีเหตุการณ์อย่างนี้บ้างก็อย่าไปหนักใจอะไรเลย แต่บางคนเนี่ยฟังข้อความเหล่านี้ทำใจไม่ได้บอกว่านี่มันเกินไปพวกนั้นคือชอบเอาตัวเองไปเปรียบกับพระอริยะเนี่ยนะมันก็ลําบากอยังไงเลยชอบเอาตัวเองไปเปรียบกับพระอรหผู้ที่ทําบุญมาแสนกลับเนี่ยยุ่งมากบางทีบอกคนอะไรคลอดออกมาแล้วเดินได้ชอบเอาตัวเองไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยพูดถึงพระศิวลีนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะ ถวายบังคมพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ลำดับนั้นแลท่านภะษารีบุตรก็ถามศิวลีถารกนั้นว่าพ่อหนูเธอสบายดีหรือพอเป็นไปได้หรือทุกอะไรอะไรไม่มีหรือพระศิวลีก็ตอบว่าข้าแต่ภาษารีบุตรผู้เจริญรู้จักชื่อพระด้วยนะเจ็ด <Yeah. S 1> วันหนึ่ย <laughs> <laughs> กระผมเนี่ยจักสบายมาแต่ไหนได้นะผมจักสบายได้แต่ไหน พอเป็นไปได้แต่ไหนผมอยู่ในท้องเนี่ยเปื้อนด้วยเลือดถึงเจ็ดปีเนี่ยนะ <c oughs> ก็บอกว่าพระอสิติเนี่ยนะท่านจะรู้ตัวในการสองคือเวลาลงสู่คันเนี่ยท่านรู้เวลาอยู่ในคันเนี่ยรู้แต่เวลาคลอดไม่รู้เพราะฉะนั้นพระศรีวลีเนี่ยท่านรู้นะตอนที่ท่านอยู่ในคันและท่านเดือดร้อนเนี่ยรู้พระปัจเจกกับพระอสิติมหาสาวกนะตอนอย่างลงสู่คันเนี่ยรู้ว่าอย่างลงสู่คันตอนอยู่ในคันเนี่ยรู้แต่คลอดไม่รู้เท่านั้นแหละ เพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยมันจะสบายมาจากไหนเนี่ยอยู่ในท้องเปือเ้อนด้วยเลือดกินน้ำครัมอยู่ถึงเจ็ดปีเนี่ยลำดับนั้นแหลพระนางสุปปวาสาโกรยอธิดาก็มีพระไทยชื่นชมเบิกบานปีติโสมนรับว่าบุตรของเราได้สนทนากับพระธรรมมเสนาบดีโอยดีใจมากลูกเรานี่เก่งมากคุยกับพระได้ดูที่คุยกับภาษาริบุตรด้วยดีใจมากพระพุทธเจ้าก็คิดแบบพระพุทธเจ้าเองนะ ลำดับนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าพระนางสุปปวาราโกริยะที่ดาทรงมีพระทยัยชื่นชมเบิกบานเกิดปีติโสมนัสแล้วจึงตรัสถามพนางสุปปวาราโกริยะที่ดาวา่าดูก่อนพระนางเพ่งปรารถนาพระโอรสเห็นป่านี้แม้อื่นหรืออยากได้อีกไหมคล้ายๆแบบนี้นะเอาอีกไหมพนางสุปปวาราก็กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญ ม่อมชันพึงปรารถนาบุตรเห็นปานี้แม้อื่นอีกเจ็ดคนเจ้าข่าขออีกเจ็ดไม่ได้เค็ดเลยนะลืมหมดเลยนะคิดดูนะความทุกข์ทั้งหมดมาเจ็ดปีเนี่ยยิ้มแป้เมื่อเห็นคุยกับพระอยู่คำเดียวหายเศร้าเลยแบบนั้นเน่ยหายทุกข์หายโศกไปหมดเลยพระพุทธเจ้าก็ทราบเนื้อความนี้แล้วนะพระองค์ก็เปล่งอุทานในเวลานั้นว่าทุกอันไม่น่ายินดี ครอบงำคนผู้ประมาทโดยความเป็นของน่ายินดีเพราะฉะนั้นสรุปว่าทุกเนี่ยนะที่ไม่น่ายินดีเนี่ยตอนมันมาเนี่ยขามามาพร้อมกับความน่ายินดีทุกอันไม่น่ารักย่อมครอบงำคนประมาทโดยความเป็นของน่ารักทุกย่อมครอบงำคนประมาทโดยความเป็นสุขทุกเนี่ยนะทุกที่ไม่น่ายินดีมันมาพร้อมกับของน่ายินดีทุกที่ไม่น่ารัก มาพร้อมกับของน่ารักทุกมาพร้อมกับความสุขก็<笑><笑>คือถ้าไม่น่ายินดีก่อนเนี่ยนะความทุกข์จะเกิดหรือใช่ไหมก็เนื่องจากว่าเห็นน่ายินดีตอนหลังก็เลยทุกเพราะไม่ยินดีทุกที่ไม่น่ารักก็มาพร้อมกับของที่มันน่ารักนั่นแหละส่วนรายละเอียดก็ค่อยๆว่าโดยลําดับเนี่ยนะ พระนางสุปปวาสาคำว่าสุปปวาสานี่เป็นชื่อของอุบาสิกาเป็นราชบุตรีของเจ้าโกรยะเนี่ยนะก็เป็นกษัตริย์เชื่อพระวงศ์นะเชื่อวง์ของพระพุทธเจ้าแต่เป็นฝ่ายโกริยะก็ปกติก็จะแต่งกับฝ่ายสักยะเนี่ยโกริยะสักยะก็จะแต่งงานกันไปอินเดียครั้งที่แล้วไปเฉพาะสักยะเนี่ยนะเมืองกระบิละพั์ไม่ได้ไปที่โกรนะิยานครมีโอกาสก็จะไปเที่ยวเหมือนกันว่าเมืองนั้นดียังไง ตไปก็ทั้งสายจะได้นึกถึงเรื่องนี้ไว้ก่อนสักเรื่องก็ยังดีนะแต่ก็มีพระสูตรอีกหลายเรื่องนะที่พระองค์แสดงที่เมืองกุริยะเนี่ยนะก็ราชบุตรีนั้นเป็นอัครอุปถายิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็สถาปนาไว้ในเอตะทะัทคะเลิศกว่าสาวิกาทั้งหลายผู้ถวายสิ่งของอันประณีตเป็นพระอริยะสาวิกาผู้โสดาบัน เอตะทธคะนะนางนี่ทำบุญมาแสนกลับเลยนะไม่ธรรมดานะพะนางสุปปวาสาเนี่ยเป็นเอตะทธคะคือดท่าของอะไรก็ตามถ้านางสุปปวาสาถวายเนี่ยจะถวายแต่ของประณีตอย่างเดียวไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลไม่ว่าจะเป็นของเคี้ยวของบริโภคหรือเภสัชยาเนี่ยนะอันสมควรแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีสตรีอื่นๆที่พึงจัดแจงไว้ในนั้นสิ่งทั้งหมดนั้นพระนางใช้ปัญญาของตนเท่านั้นจัดแจง แล้วน้อมเข้าไปถวายโดยความเคารพพระนางนี้ถวายสังกัปปะและปาติปุกเกลิกพัดวันละแ0ดร้อยที่ก็นิมนต์พระภิกษุภิกษุณีฉันประมาณวันละแ0ดร้อยรูปทุกวันก็เป็นเจ้าฟ้านะเป็นลักษณะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็ทาได้อย่างนี้อยู่แล้วผู้ใดผู้หนึ่งไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีเข้าไปบิณฑบาตอย่างตระกูลนั้นไม่ได้มีมือเปล่าไป พระนางนั้นมีการบริจาคอย่างเด็ดขาดทำบุญแบบไม่อาลัยอาวร์ไม่เยื่อใยเลยนะมีมือสะอาดยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในทานและการจำเนกทานด้วยประการชนีก็เป็นผู้ที่มีศรัทธา ม, มากเป็นพระโสดาบันด้วยนะไม่ตรนีเลยเป็นผู้ที่มีความสุขกับการทำบุญก็แสดงว่าตอนนี้คงถ้าดูตามนี้ก็นางคงอยู่ในสวรรค์นะเพราะ ไม่ได้กล่าวว่าบรรลุคุณชั้นสูงเพิ่มอีกอะไรแต่ก็ท่านเหล่านี้ไม่น่าเป็นห่วงนะครัเป็นพระโสดาบันไปแล้วอย่างมากก็กลับมาเป็นมนุษย์อีก7ชาติแต่มาเนี่ยมาแบบเลือกมานะเลือกมาได้คือไม่มาก็ได้ถ้ามาก็มาแบบคนเลือกมาไม่ใช่โอ้โหมาแบบปั๊บอีกทีมาอย่างไงเนี่ยนะเธอมาจากไหนไม่รู้อ่ะ น, นี้ไม่มีเพราะเนะรู้หมดเลยเพราะว่าเป็นผู้ที่สั่งสมบุญแล้วก็โดยเฉพาะ ทำบุญกับพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกสมัยพุทธกาลด้วยแล้วแล้วก็ฟังธรรมเยอะแยะเลยพูดถึงสาวกกโพธิสัตว์คือพระศิวลีเนี่ยนะผู้มีพบครั้งสุดท้ายได้ทําบุญญาที่การไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนปางก่อนนี้แค่ไหนก็ทําบุญมาแล้วแสนกับแสดงว่าตั้งความปรารถนามาพร้อมกับแม่นั่นแหละแม่นี่ปรารถนาเอตะทะะักขะด้านถวายของประณีตลูกทําบุญตั้งความปรารถนามา ขอให้เลิศด้วยลาบก็ชาติสุดท้ายก็มาถือปฏิสนธิในท้องของนางด้วยบาปปรกรรมบางอย่างนั่นเองเธอบริหารคันนั้นอ่ะอุ้มท้องอยู่ถึงเจปีและได้เป็นผู้มีคันหลงอีกเจดวันเพราะฉะนั้นเจปีนี่ไม่หนักเท่าไหร่แต่7วันสุดท้ายนี่สิหนักสาหัสมากเขาบอกว่าเพราะว่าคันแก่เต็มที่เนี่ยเวลาจะคลอดถูกลมกรรมชวาททาให้ปั่นป่วน พลิกกลับไปกลับมาเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างมุ่งตรงต่อช่องคลอดสัตว์นั้นออกไปข้างนอกไม่ติดขัดในที่ไหนๆด้วยประการชนี้หมายคือว่าปกตินะถ้าคลอดธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยก็พัดก็คลอดออกมาก็ไม่หนักเท่าไหร่แต่เมื่อวิบัติก็จะนอนขวางปิดช่องคลอดด้วยการพลิกกลับไปมาผิดปกติจริงๆทั้งๆ ท, ที่นางก็มีบุญมากนะหาหมอหาอะไรก็ได้แต่ว่ากรรมเก่าเป็นปัจจัยก็เลยทําให้คลอดไม่ได้ บางทีก็จะคลอดและช่องคลอดก็ปิดซะเองเนี่ยนะเมื่อนั้นสัตว์เพราะลมกรมชวาตในคันนั้นปั่นป่นปวนพลิกกลับไปกลับมาจึงเรียกว่าคันหลงแม้นางนั้นก็คันหลงอย่างนั้นถึงเจ็ดวันสัตว์ผู้เกิดในคันนี้ได้แก่พระศิวลีเถระถามว่าเพราะเหตุไรพระศิวลีเนี่ยจึงทุกข์อยู่ด้วยการอยู่ในคันถึงเจ็ดปีถึงความเป็นผู้คันหลงอีกถึงเจ็ดวันและแม้พระมารดาของท่าน ผู้เป็นถึงอริยสาวิกาโสดาบันก็ได้เสวยทุกอย่างนั้นเหมือนกันขนาดพระโสดาบันนะั้ยังยังอย่างนี้เลยบางท่นเถิดตอบว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้ากาสีครองราชสมบัติในกรุงพาราสีพระเจ้าโกศลองค์หนึ่งทรงกรีทายกองพลใหญ่มายึดเอาเมืองพาราณสีทรงปลงพระชนของพระราชานั้นก็สถาปนาพระอัคราเหสีของพระราชานั้นให้เป็นอัคราเหสีของพระองค์ คือ ก, กษัตริย์โบราณนี่ก็ถือว่าถ้าฆ่าเจ้าเมืองนั้นได้เนี่ยนะสมบัติทั้งเมืองนี่จะตกเป็นของพระราชาอีกฝ่ายหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นรวมทั้งมเหสีด้วยฝ่ายพระราชโอรสของพระเจ้าพารณสีในเวลาที่พร ะ, พระบิดาสิ้นพระชนก็หนีออกทางประตูระบายน้ํารวบรวมญาติมิตรและพวกพ้องของพระองค์ไว้เป็นอันเดียวกันรวมกําลังโดยลําดับแล้วก็เสด็จกลับมายังเมืองพารณสีตั้งค่ายใหญ่เอาไว้ในที่ไม่ไกล กส็ส่งพระราชสารเนี่ยไปถึงพระราชาพระองค์นั้นน่ะนะองค์ที่ข่าพ่อว่าจงประทานราชสมบัติหรือจะรบะนะจะยกสมบัติให้คืนหรือจะรบกันพระมารดาอ่ะนะก็คือแม่เนี่ยสับพระ่าสารของราชกุ ม, มารแล้วก็ส่งพระราชสารไปว่าไม่มีการต่อยุทธ์นะนะแม่นี่เป็นคนออกแผนให้หมดเลยว่าลูกเนี่ยไม่ต้องรบหรอก ลูกจงตัดขาดการสัญจรทั่วทุกทิศล้อมกรุงพาราณสีเอาไว้แต่นั้นพวกคนในกรุงก็พากันลำบากเพราะหมดเปลืองสิ้นสเสบียงะนะหมดน้ำหมดอาหารก็จกัจกจกับพระราชามาแสดงเว้นการต่อยุดเสียเลยเนี่ยนะไม่ต้องไม่ต้องมารบไม่ต้องอะไรกันหรอกใช้วิธีล้อมเมืองอย่างเดียวนันนะแม่นี่ก็นะหัวดีแต่ว่าวิบากไม่ดีเนี่ยนะ พระราชกุมารพอได้ฟังได้ฟังศารของพระมารดาแล้วก็สั่งให้รักษาประตูใหญ่สี่ด้านสั่งปิดประตูล้อมกรุงพาราณสีไว้เจ็ดปีด้วยกันทีนี้พอปิดแต่ประตูใหญ่ประตูเล็กไม่ปิดะนะพันพวกชาวกรุงก็ออกทางประตูเล็กไปเอาน้ําเอาไม้ก็มาทํากับข้าวอยู่ได้ตามเดิมนั่นแหละสั่งเรียกว่าปิดแต่ประตูใหญ่ะนะแต่ธุรกิจเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีแหละแต่ว่าก็ไม่ถึงกับตาย ลำดับนั้นพระมารดาของพระราชะกุมารเนี่ยฟังเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็เลยส่งสารรับไปถึงโอรสว่าลูกของเรานี่โง่ขเขลาไม่รู้อุบายพวกเจ้าจงไปบอกแกบ่บทของเรานั้นว่าจงปิดประตูน้อยแล้วก็ล้อมกรุงเอาไว้ปิดต้องสั่งปิดนะต้องปิดทุกประตูไม่ใช่เนี่ยเปิดปิดแต่ประตูใหญ่ประตูเล็กเปิดไว้หมดเนี่ยมันจะไปจำนว น, นอะไรพระราชะกุมารนี่พอฟังข่าวสารของแม่ก็เลยทําอย่างนั้น ถึงเวันเนี่นะสั่งปิดประตูเล็กทั้งหมดชาวพระนครเมื่อออกไปข้างนอกไม่ได้วันที่เจ็ก็เลยตัดหัวพระราชามามอบให้แก่ราชกุมารยังงในสามกกอย่างนี้เลยสามกกแบบนี้เลยที่แค่ก็เหมือนกันนะพระราชกุมาร น, นั้นก็เสด็จเข้ายึดราชสมบัติคืนเพราะผลกรรมที่ล้อมพระนครไว้ถึงเจปีในครั้งนั้นบัตรนี้พระองค์นี่ติดอยู่ในโลหิตกุมพีเรียกว่า โลหิตา oh แปลว่าเลือดะนะหม้อเลือดหม้อเลือกก็คือเนี่ยอยู่ในบ่อน้ำครัมเนี่ยของพระมารดาเจ็ดปีแต่พอล้อมกรงเอาไว้เจวันโดยเด็ดขาดจึงถึงความเป็นผู้คันหลงถึงเจดวันที่เจ็ดวันนี้ก็ทำไมจะไม่เดือดร้อนนะเพราะว่าปิดบ้านเมืองนี่มันอดอยากมากนะน้ำก็ไม่มีดื่ม ก็พระองค์นี้เป็นผู้เลิศด้วยลาภเพราะอนุภาพที่ถวายมหาทานและตั้งความปรารถนาที่บาทมูลของพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว, ว่าขอเป็นผู้เลิศด้วยลาภและที่ถวายน้ำอ้อยและนมส้มมีค่าหนึ่พันกหาปณ ะ, ะพร้อมชาวเมืองแล้วได้ตั้งความปรารถนาในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีพันก็บอกว่าพระพระสีวลีรูปนี้เนี่ยตอนหลังก็บวชนะบวชแล้วเป็นพระทหารเป็นผู้เลิศด้วยลาภ ถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปในทางกันดานเนี่ยจะให้พระศีวรีไปด้วยถ้าพระศิีวรีไปนะพระพิสุไม่มีอดแม้แต่รูปเดียวจะอิมกันหมดเพราะว่าท่านเลิศด้วยลาบมากคนไทยก็เลยนับถือมากนะจากในลาบม้างก็ถ้าเดือดร้อนแล้วมันก็ลำบากอะเนาะฝ่ายพระนางสุ ป, ปวาสาอุ้มคันอยู่ถึงเจ็ดปีคันหลงอีกเจ็ดวันเพราะตัวเองเนี่ยส่งข่าวสารเนี่ยนะเจ้าของแผนการใช่ไหม เพราะว่าพ่อจงล้อมพระนครยึดเอาไว้มารดาและบุตรเหล่านั้นได้เสวยทุกเช่นนี้อันสมควรแก่กรรมของตนด้วยประการชนีถ้าหากว่าใครที่สาวเหตุในอดีตยาวๆได้เนี่ยทุกอย่างบอกสมควรแล้วตอนที่ล้อมเมืองเนี่ยนะคนก็แช่งกันหน่าดูใช่ไหมแต่ตอนคันหลงเป็นอริยะด้วยคนก็จะสงสารกันแต่ถ้ามองทั้งเหตุทั้งผลพร้อมกันนี่ก็ทุกอย่างในโลกนี้ยุติธรรมหมดใช่ไหมคำว่ายุติธรรมเนี่ยสมควรแก่กรรมทุกเรื่อง ทีนี้ก็อาศัยว่าคิดอยู่สามอย่างเนี่ยความตรึกสามอย่างใช่ไหมตอนที่ปวดท้องอย่างไรก็นึกถึงสามอย่างตีหิวิตะเกหิอยู่ด้วยสัมมาวิตตกอันนี้คือสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะสัมมาสังกัปปะอันเกี่ยวด้วยการตามระลึกนึกถึงคุณของพระตนะไตรก็ข่มความทุกข์ที่เกิดจากคันหลงเนี่ยนะพราะว่านึกถึงคุณของพระตนะไตรความจริงพระนางนหัวระลึกถึงความที่ พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองการปฏิบัติดีของพระอริยสงฆ์และพระนิพพานเป็นเครื่องสลัดออกจากทุกจึงอดทนข่มทุกขที่เกิดแก่ตนด้วยไม่ทำไว้ภายในใจนั่นเองความทุกเนี่ยนะโดยเฉพาะทุกทางกายเนี่ยถ้ายิ่งคิดถึงยิ่งทุกใช่ไหมถ้าปวดที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะถ้ายิ่งคิดยิ่งปวดถ้าไม่คิดไม่ปวดเพราะอะไร เพราะทุกขากายะวิญญาเนี่ยนะเกิดเพราะมณัติการถ้ามณัติการก็ปวดหมายคือว่าถ้าให้ค่ายิ่งให้มากยิ่งปวดมากยังก็เหมือนคิดง่ายๆว่าถ้าปวดปัสสาวะยังไงบอกปวดมากแล้วทนไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวมันจะทนไม่ได้จริงๆแต่ถ้าไม่สนใจนะสมมุติถ้าเราดูละครดูอะไรเป็นต้นเนี่ยปวดก็ปวดไปสิเนี่ยนะถ้าไม่จบไม่ไปอะ่ะลืมไปหมดเลยใช่ไหมเพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าถ้าให้ค่ามากปวดมากให้ค่าน้อยปวดน้อยถ้ามนัติการก็ปวดไม่มณสิการก็ไม่ไม่ปวด แต่ว่ามันก็ทําใจไม่ได้ใช่ไหมแต่นี้นางก็เวลาปวดอย่างนั้นก็เบนประเด็นซะเปลี่ยนอารมณ์ไม่คิดถึงความเจ็บปวดคิดถึงพระรัตนตรตยแทนอธิบายว่าสัมพุทโธวตะสัมพุทโธก็คือสัมพุทธเจ้านะสัมพุทธเจ้าหนอโดยศัพท์ก็เลว่าสัมพุทธเจ้าหนอพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นชื่อว่าเป็นนาถะแห่งโลกนาถแปลว่า เป็นที่พึ่งของโลกเพราะเหตุมีความเป็นผู้มีภาคยธรรมเป็นต้นมีภาคยธรรมนี่เราเคยกล่าวไปบ้างแล้วใช่ั้ยเราที่หน้าไหน น, หนั่นแหละภาคยธรรมเป็นต้นก็ไปดูหน้า38 น, นั่นแหละย้อนไปดูหน้า38จากที่กล่าวถึงพัวากล่าวถึงพระพุทธคุณเนี่ยนะคว่าพัควาเป็นต้น ในหน้า212ิต่อไปว่าชื่อว่าพุทธะเพราะตรัสรู้สัพพะธรรมะโดยชอบตรัสรู้ธรรมะ ท, ทั้งหมดเนี่ยนะทั้งสังคตะและอสังคตะโดยไม่วิปริตด้วยพระองค์เองคือด้วยพระองค์เองมันเป็นสัมพุทธะหรือพุทธะเนี่ยตรัสรู้ทั้งหมดโดยไม่วิปริตเลยพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่ะตรธรรมะเพื่อละวัตทุทข์ทั้งสิ้นเห็นป่านี้ คำสอนในปีดกสามเนี่ยนะมีรถเดียวใช่ไหมวิมุติรถก็คือเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกเหล่านี้นี่แหละทุกที่เรากำลังกลังรับอยู่ในบัตรนี้พันเวลาใครป่วยนะถ้าจะเจริญพุทธคุณเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงทำทั้งหมดสอนทั้งหมดก็สอนให้หมดทุกตัวนี้แหละที่เรากำลังเจ็บป่วยอยู่นี่แหละแล้วตอนสบายล่ะตึกว่างไง อย่าไปคิดนะว่ากายนี้มันจะไม่ป่วยเนี่ยนะถ้ามันป่วยเราจะคิดอย่างนี้เลยหันความทุกข์ที่เรารับอยู่บัดนี้และที่มีความเกิดอย่างนี้เป็นอย่างหนึ่งเพื่อดับไม่เกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิงพระองค์น้ตรัธรรมะที่ไม่ผิดตรงกันข้ามตามความเป็นจริงพระองค์ก็แสดงทั้งวัตตะและวิวัตตะจะให้ความทุกข์นี้เป็นวัตตะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพื่อดับทุกข์ที่เป็นวิวัตะ ความที่พระศาสดาสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพราะทรงแสดงธรรมไม่ผิดแผกเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไจึงแสดงธรรมเพื่อความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงทีนี้ต่อไปพระสังฆคุณบ้างพระองค์นี้มีหมู่แห่งพระอริยบุคคลแปได้เชื่อว่าสาวกสงหรือพระสองสาวกเนี่ยนะที่เรียกว่าพระสองสาวกเนี่ยเพราะเกิดในที่ใกล้แห่งการฟังธรรม ของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระคุณตามที่กล่าวแล้วเพราะพระองค์เนี่ยตรัสรู้อย่างถูกต้องแล้วแสดงธรรมเป็นที่พ้นทุกข์ก็มีผู้ฟังฟังจบแล้วปฏิบัติตามก็บรรลุจริงเ่ยนะเพราะอะไรเพราะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นความจริงผู้ที่ฟังแล้วปฏิบัติตามได้ก็เข้าถึงความจริงคืออริยสัจผู้ที่บรรลุอริยสัจก็เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิเรียกว่าสงฆ์เนี่ยเพราะอะไรเพราะเสมอกันด้วยความเป็นผู้มีศีลและทิฏฐิเสมอกัน ซึ่งพระอริยะสอ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำเนินสู่ปฏิปทาเป็นเหตุไม่หวนกลับมาในวัตตะนั้นข้อปฏิบัติก็คื อ, อไรยญายปิตันโนพระวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วนี่นะก็คือเพื่อพระนิพพานนั่นแหละนั้นพระสงฆ์เหล่านั้นปฏิบัติเพื่อละวัตตทุกขเห็นตานี้คือเช่นนี้ปฏิบัติเพื่อดับคือเพื่อไม่ให้เกิด แห่งวัตถทุกไม่ไดป้ปฏิบัติย่อมไม่ได้รับวัตถทุกเช่นนี้หมายว่าถ้าปฏิบัติตามคําสอนถึงที่สุดแล้วไม่ต้องกลับมารับความทุกขเหล่านี้อีกเลยทีนี้ธรรมคุณบ้างนะพระนิพพานคือธรรมคุณว่าพระนิพพานอันเป็นเครื่องสลัดสังคตาธรรมทั้งปวงอันเป็นสุขหนอสุขดีหนอนิพพานเนี่ยถ้าสลัดทุกเหล่านี้ได้เนี่ยเป็นความสุขจริงๆ นะก็เป็นการระลึกถึงว่าสัมพุทโทวตตะนะนะพระสงฆ์สาวกและก็พระนิพพานก็ในที่นี้แม้ผู้กําลังปฏิบัติท่านก็กล่าวว่าปฏิบัติแล้วเหมือนการเพราะการปฏิบัติไม่กลับคือปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเนี่ยนะเพราะพระนิพพานนั้นไม่หวนกลับมาในวัตตะอีกเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติก็ชื่ออะไรชื่อว่าปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลดังนี้ ตอนหลังก็ไอความเจ็บป่วยเนี่ยนะที่ทุกๆมาเจ็ดวันได้แต่ระลึกนึกถึงพระพุทธกคุณรรมาคุณสังกคุณก็เลยอ้ อ, อนวอนสามีใช่ไหมให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเล่าถึงไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าพระบาทของพระพุทธเจ้านี่มีสิริ ด, ดุจดอกปทุมเย้มที่ประดับด้วยจักรลักษณะคือถ้าฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีกองจักรนะจะมีรูปจักรอยู่ด้วย ก็ให้ไปเล่าให้ฟังนะว่านางเนี่ยเจ็บป่วยมากป่วยมากจริงๆเลยคันหลงทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยพอได้ฟังคำที่สามีของนางเล่าให้ฟังทั้งหมดพระองค์ก็ตรัสว่าสุขินีโหตุสุขินีเนี่ยแปลว่าน้องหญิงนะขอให้น้องหญิงเนี่ยโหตุปแปลว่าจงมีสุขินีก็คือความสุขขอให้น้องหญิงหรือนางสุปววาสาเนี่ยจงมีความสุขเถิด ในหน้าสอง้ยสิบสี่ยอหน้าบอกว่าพระาศาสดาผู้เป็นอัคระทัคยนัยบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกทรงรับการไหว้ของพระราชบุตรที่พระนางสุปปวาสาส่งมาทีนั้นจึงทรงประกาศการนำความสุขเข้าไปให้อันนี้เจริญเมตตาเนะจริญเมตตาไปหาพระนางสุปปวาสาที่พระพุทธเจ้าทรงเคยบำเพ็ญมาเป็นเหตุให้เกิดเมตตาวิหารธรรมของพระองค์แก่พระนางสุปปวาสานั้นน่ะ โดยสามันทั่วไปก็คือเจริญเมตตาเนี่ยนะมุ่งไปที่นางสุปปวาสาเมื่อจะทรงแสดงการนำความสุขเข้าไปแก่พระนางและพระราชโอรสอีกโดยการปฏิเสธการได้รับความทุกข์อันมีการวิบัติคันเป็นมูลเป็นเหตุเป็นประธานจึงตรัสว่าสุขินีอโรคาอโรคังปุตตังวิยชาตุวิชายตุพระนางจงมีความสุขปราศจากโรค สูตรพระโอรสหาโรคไม่ได้ก็คือให้มีความสุขนะพ้นจากโรคภัยทั้งหมดนะแล้วก็ลูกที่ออกมาก็เป็นลูกที่หาโรคไม่ได้พร้อมกับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสเช่นนั้นแหละบางท่านบอกว่ากรรมก็เลยถึงความหมดไปพระพุทธเจ้าก็แสดงแสดงอย่างนี้ก็สิ้นกรรมพอดีนะแต่จริงๆเนี่ยก็เกิดจากพุทธานุภาพด้วย สบรรทัดข้างล่างบอกว่าความจริงพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอจินไตยอนาคตของพระพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเอามาคิดธรรมดาทั่วไปก็คิดดูนะนางปตาจราใช่ไหมเป็นบ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ายัางแสดงถึงกับหายบ้าได้เปรียบเหมือนเมื่อนางปตาจราถึงความเป็นบ้าเพราะความโศกอันเกิดจากสัตว์และสังขารเป็นที่รักมีภาวะรูปเหมือนตอนเกิดนั่นเอง พลางเที่ยวพูดว่าอุโภ ป, ปุตากาละกะตาปันเทมหมหังปฏิมาโตเป็นต้นเนี่ยนะบททั้งสองก็ตายสามีของเราก็ตายที่หนทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายเผาในเชิงตะกรเดียวกัน น, นะคือตอนที่ะจะคลอดลูกคนที่สองเนี่ยนะอ้อนวอนสามีจะได้กลับมาคลอดที่เมืองสาวัตถีเนี่ยทีนี้ก็คลอดในระหว่างทางคืนนั้นเนี่ยฝนตกหนักทั้งคืนใช่ ฝนตกหนักทั้งคืนเนี่ยแล้วคลอดเสร็จแล้วเออคลอดในระหว่างฝนสามีก็ไปให้งูกัดตายแล้วพองูกัดตายตัวเองเนี่ยก็คลอดแล้วก็ผ้าผ่อนก็ไม่ค่อยมีะนะก็เอาลูกไว้ข้างข้างล่างท้องอ่ะอ น, นะก็คือแบบอันนั้นนีแบบคุกเขา่านะเรียกว่าคุกเข่าเอาลูกไว้ข้างข้างล่างท้องแล้วเอาหลังตัวเองเนี่ยรับฝนที่ตกหนักมากทั้งคืนเนี่ย เสร็จแล้วคืนนั้นก็บอบช้ําเต็มทีนะคลอดลูกใหม่ด้วยแล้วก็ฝนตกหนักทั้งคืนนะเช้ามาก็เห็นสามีตายอยู่ใกล้ๆจอมปลวกเสียใจมากเลยนะว่าเสียใจว่าไงเนี่ยนะถ้าเราเชื่อสามีเราไม่ออกมาจากบ้านเราคลอดที่บ้านนะสามีก็ไม่ตายอย่างนี้รองก็ร้องให้พอสามีตายแล้วทําไงก็คิดถึงพ่อแม่ก็เลยจูงลูกคนโตอุ้มลูกคนเล็กเดินไปก็ใกล้ ไปจนถึงใกล้ถึงเมืองสาวัตถีแล้วไปที่แม่น้ำอจิราวดีแม่น้ำอจิราวดีเนี่ยปกติก็เดินข้ามไม่ยากแต่เนื่องจากว่าฝนตกหนักทั้งคืนน้ำก็บ่าไหลนี่นความที่น้ำบ่านี่ก็เลยให้ลูกชายเนี่ยรออยู่ที่ฝั่งตัวเองก็อุ้มลูกคนเล็กเดินข้ามไปตัวเองก็บอบบางด้วยนะก็เดินด้วยความยากลำบากก็อุ้มลูกไปถึงฝั่งโน้นก็กลับมาถึงกลางแม่น้าเลี้ยวนะก็เลี้ยวไปดูลูกคนเล็ก เหี่ยงก็โฉบเอาลูกคนเล็กเนี่ยไปก็นึกว่าชิ้นเนื้อก็เลยโบกมือไล่เหวี่ยวเนี่ยนะไอ้ลูกคนโตก็นึกว่าแม่เรียกก็เลยลงไปกระโดดไปในน้ําหายไปกับน้ําหมดอะไรตายอยากเลยคันเนี้ยนะร้องให้หนักกว่าเดิมอีกก็ยังไม่ทลา่นะก็ยังนึกถึงพ่อถึงแม่อยู่นะสามีและลูกก็ตายไปก็ยังเหลือพ่อเหลือแม่พอระหว่างนั้นก็เดินกลับมาก็ถามว่า ถามถึงบ้านเศรษฐีเนี่ยนะเพราะพ่อแม่เป็นเศรษฐีใช่ไหมก็ไปถามคนที่เดินผ่านมาก็บอกว่ า, เ, าเมื่อคืนเนี่ยฟ้ า, านะพายุหนักฟ้า่ า, าบ้านเรือนเนี่ยพังพินาศทับตายทั้งสามคนหมดเลยนะคือพ่อแม่กับพี่ชายเนี่ยถูกฟ้าถลม่มเนี่ยนะถูกลมพายุพัดฝนตกหนักบ้านเรือนเนี่ยพังพินาศตายกันหมดแล้วเหมือนนก็บอกว่า นี่ตอนนี้เห็นไหมเขากำลังเก็บเอาศพทั้งมารดาบิดาเนี่ยมาเผาในเชิงตะกรเดียวกันมองเห็นนั่นควันกำลังกลุ่นอยู่นั่นแหละพอได้ฟังเท่านั้นแหละหมดเลยชีวิตก็เลยเหลือแต่ชุดวันเกิดเนี่ยนะผ้าผ่อนดุดหมดจำอะไรไม่ได้และบ้าไปเลยทีนี้บ้านเนี่ยด้วยบุญกรรมด้วยบุญที่นางสั่งสมมาแสนกลับเนี่ยนะทำให้นางเนี่ยเดินไปทิศที่พระพุทธเจ้ากาลังแสดงธรรม ก็ได้แต่เพอ้อไปนะเดินไปเพอ้อไปแต่ก็ถือว่าไม่นานนะก็เดินไปหาพระพุทธเจ้าพอดีพอไปถึงชาวบ้านก็ช่วยกันไล่พระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ยาไล่เลยให้ปล่อยมาเถอะเสร็จแล้วนางก็เข้ามา ใ, ใกล้ก็มาร้องให้ก็ร้องนี่แหละบุตรทั้งสองก็ตายสามีของเราก็ตายในหนทางบิดามารดาพี่เละพี่ชายก็เผาในเชิงตะกรเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าน้องหญิงเธอจงกลับได้สติมาเถิดก็หายจากความเป็นบ้า เกิดฮิริโอตา ป, ปะขึ้นก็มีอะนะเกิดคนนี่ก็โยนผ้าให้นางก็แล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมว่าความตายเข้ามาเนี่ยนะไม่มีใครห้ามได้หรอกเพราะฉะนั้นเมื่อญาติพี่น้องพวกพ้องไม่สามารถที่จะห้ามความตายได้ควรที่จะปฏิบัติชําระหนทางเพื่อพระนิพพานควรปฏิบัติอยู่ในศิกขาสามเพื่อพระนิพพานเป็นต้นเถรนางฟังจบก็บรรลุเป็นพระโสดาบันตอนหลังก็ขอบวชเป็นเอตทะคะด้านพระวินัยทอน ก็ด้วยพุทธพจน์ที่บอกว่าน้องหญิงเธอจงกลับได้สติเถิดนางเนี่ยปตาจารานี่ก็ได้ได้สติสัมปชัญญะคืนอันด้วยพุทธานุภาพนางปตาจาราก็หายบ้าแม่นางสุ ป, ปวาสาอุบาสิกาก็เหมือนกันเมื่อไม่อาจจะให้แผลใหญ่ที่ตนเองทำไว้ที่ขาของตนหายได้ก็นอนบนก็นอนอยู่บนเตียงแต่เพราะพุทธพจน์นั้นแผลก็หายเป็นปกติ มันก็เลยคิดจะไปไหว้พระพุทธเจ้าแต่ถวายบังคมพระพุทธเจ้าก็เลยนิมนต์ให้ให้อะไรนะให้สามีไปนิมนต์พระพุทธเจ้าเพื่อมาฉัดส่วนพูดถึงสามีของนางเนี่ยนะพอหลังจากที่ได้ทราบว่าพระนางสุปวาสาเนี่ยคลอดลูกลูกก็สบายตัวเองก็สุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็เลยนึกในใจว่าพระตถาคตเนี่ยมีฤทธิ์มากหนอใช่ไหม พระตถ า, าคตนี่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงๆในก็อัตถาก็อธิบายคําว่าพระตถ า, าคตนั่นเองซึ่งรายละเอียดของคําว่าพระตถ า, าคตนี่ก็ตอนเย็นพราะเรื่องยาวพันพระตถ า, าคตหน้าอัศจรรย์เนี่ยนะก็เอาไว้ตอนเย็นนะเพราะเนื้อหายาวมากเพราะว่า อธิบายคําว่าตถาคตยาวๆนี่มีอยู่สองแห่งคือในเล่มนี้กับในอิติวุตกะมีอยู่สองเล่มที่แสดงว่าตถาคตเนี่ยมีอยู่เ้าเรียกแปดหัวข้อแล้วแบ่งเป็นสองในแสดงพระตะถาคตสิบหกหัวข้อใหญ่ซึ่งเราก็จะได้เรียนพระพุทธคุณบทว่าตถาคตในตอนเย็นนะเจนพรสาหรับช่วงบ่ายนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ด้วยผลแห่งกุศลที่ได้ฟังธรรมนี้ก็ขอให้ ได้เห็นพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมเพื่อความพ้นทุกข์รู้จักความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แล้วก็พระนิพพานที่พระพุทธเจ้าแสดงถึงก็เป็นธรรมะที่นำออกจากทุกข์ก็ขอให้ประสบกับพระนิพพานเป็นที่พ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากาันก็นุโมทนาเป็นอย่างยิ่งจนพร